บุ๊กทูหกสิบห้าชัสตูเพนจการปฏิเสธสองนาฟดูแหวนวงนี้แพงไหมคะอินฮัลเกเยโนัสไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรนแต่รรตหเนา100ยูโรอัสแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะอัม ม, มนฟัดยอยูโรดรคุณเสร็จแล้วใช่ไหมทุตัตมมชดไม่ยังไม่เสร็จค่ะ น่ะฮนูสน่ะแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะอั ม, มชันละดีดีการ์ทามอมมีชัดคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะบอสหัามซุปมไม่คอยไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะน่ะดีการ์น่ไม่ขอหันแต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ اما یک بستنی میخواهم เคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ خیلی وقت هست ا ی ن ج ا زندگی می ้ชีไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียว ن, د د ن ่ ت ا ز เจย์ย ه ่งแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว اما با خیلی از مردم آشنا ش, ش د อ คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะฟดาดโมีรา บ, บิาเนะไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์น่าออคาร์ฮาฟะมีรามแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะอมมามโมแมนเยกชัมเบ่บรมียาร์ดันลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ دختر تو بزرگ شده؟ ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุสิปีน่ او ู ا ز ه 17 س ا ل ตุใแต่เธอมีแฟนแล้วนะอเมอูอยากดูสเปซาร์กรุณาไปที่ www. b o o k t o